เอาทุกคนเอามือวางไว้บนเข่าเอามือวางไว้บนเข่จาจะเข่าไหมืมอาไว้บนเข่า่วงไว้นะเดี๋ยวนี้มือเราอยู่ที่ไหนอะไรเห็นว่ามืออยู่ที่เขานั้นอ ะ, อะไรรู้ว่ามืออยู่บนเขานั้นะ ถ้าใครบอกว่ามือของเราอยู่ที่อื่นจะเชื่อไหมมั่นใจไว่าหมายว่ามืออยู่บนเขา่ามั่นใจไหมมั่นใจนะใครจะบอกว่ามือของฉันข่าวจูข้างหลังเราจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นใช่ไหมเราเห็นกายของเรามือก็เราวางอยู่บนเขา่าแต่แขงมือตั้งข้างขวาตั้งไว้ด้วยซ้แต่แขงตั้งไว้ด้วยซ้ำแต่แขงหรือ ย, ยัง มั่นใจว่าหมาว่ามือข้างขวแต่แขงอยู่มีคำถามไหมว่ามือของข้างขวของฉันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรมีคำถามไหมไ ม, ม, ม, นนรรมไม่มีคำถามใครเป็นคนรู้เรารู้เองสัจะทําไม่มีคาถามรู้เองใช่ไหมเรารู้ว่ามือของฉันยกขึ้นเลยซิยกขึ้นเลย ยกหื อ, อยังมือข้างขวาไอ้ใช่วางอยู่บนเข่านะนี่คำถามไงเมื่อมือข้างขวาอยู่ตรงไหนไม่มีคําถามใช่ไหมไมีแต่คําตอบใครตอบให้ตอบเราเองนี่คือสัจธรรมเอามือลงการเห็นชีวิตทั้งหมดก็เห็นแบบนี้เห็นมันคิดมั่นใจความคิดทําอะไรให้เราไม่ได้มันเราเห็นงู แต่เราเห็นงูเนี่งูจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดเห็นตะขาบมันวิ่งมาตะขาบจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดที่ตะขาบมันกัดเราเพราะเราไม่เห็นเห็นความโกรธเห็นความหลงความันกัดถ้าเห็นแล้วก็พ้นทันทีเลยเราจึงมาสร้างภาวะความเห็นภาวะดูเลยพูดใหญ่ว่าจงมาดูกายเคลื่อนไป เมื่อดูกายมันเห็นความคิดเห็นความหลงเห็นอะไรต่างๆเห็นเห็นเห็นลู่เห็นพุบเห็นมันจะเกิดการเห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปตัวเห็นก่นนำเลยปะเนตัวเห็นเนี่เป็นตัวไม่ใช่คําว่าเห็นเฉยๆเป็นยานด้วยเห็นเนี่ยเป็นยานเป็นฌานเป็นมรเห็นเน่ยเลื่อนทนะไปเรื่อยๆเป็นมรเป็นผล เบื้องต้นคือความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวตมาเริ่มต้น ต, นตรงไหนก่อนมาพิสูจน์กันดูหลวงพ่อจะพาลุยโลกถ้าเห็นแล้วนะไปกลัวอะไรโลกเนี่ยแล้วนี่แม่เต น, นินทาก็กลัวแล้วสรรเสริญก็กลัวแล้วสุขก็กลัวแลทุกข์ก็กลัวแล้ ว, กกล ว, ลวความสุขความทุกข์ นนธาฉลเสเสื่อมราบเสื่อมยศเนทธาฉลสนคนก็จังปีปัญหายอยู่แค่นี้ก็ยังไปไม่รอดมันจะอยู่กับโลกได้ยังไงยิ่งทุกวันนี้นะถ้าไม่มีคนลธรรมแล้วจะเป็นคนที่แพ้ที่สือเลยรสชาติของโลกมันลุนแรงนะทำให้เราเป็นทุกข์ อมทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรคิดวิตเรานี่หลักหลักสูตรของคิดวิตเราเรียนให้มันจบถ้าจบตรงนี้แล้วลุยเลยโลกนะั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเหมือนกับถ้าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็บว่ารู้โลกอย่างแกมแจ้งโลกกวิถูรู้แล้วรู้แล้ว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 มีงานมีการทำทำไปเข็ดแข็งจะวันไวจะวันไวง่ายที่สุดเพราะเกี่ยวกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากมายเราจึงฝึกขัดมีศิลปะในการใช้ชีวิตของเราราสร้างสตินี่แหละวิธีที่สร้างแล้วก็บอกกันแล้วให้รู้จักตัวให้รู้จักตัว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 เห็นแต่วันที่ไปปฏิบัติทรรมพุทธมนตนใช่ไหมเห็นมาบวดลูกบวดหลานเห็นไหกประจําก็ได้ทันทีเพราะผ่านสายตาตาเนื้อเห็นหน้ากันเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆมันเห็นเออเป็นคนมีศสินมีทนอทมเนาะเป็นคนมือคนมาทําความลูกเพึ่งพาใส่เป็นเม็ดเป็นาติอันเห็นไม่ใช่เห็นแค่เห็นเฉย การไว้เห็นกายของเราการไว้เห็นใจของเรานะี่ยเห็นบ่อมันก็จําได้มันชี้หน้ามันได้อันนี้คือกายคือรูปเห็นอะไรที่มันเกิดความร้อนความหนาวเนี่ยมันคืออาการความสุขความทุกข์มันเป็นอาการของรูปของน้ำมัไม่ใช่ตัวใช่ต้นแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่ได้เห็นก็มีตัวมีตนเป็นตัวเป็นต้นตไปทั้งหมด ความร้อนก็คือเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนความหนาวก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหนาวความสุขก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ผมพกอเลยตีวิธีสอนว่าเห็นความปวดเป็นผู้ปวดปวดไหมปวดขาไหมเด่นนั่งอยู่สอง เกือบชั่วโมงกูปวดขาไหมปวดเป็นผู้ปวดหรือว่าเห็นมันปวดออถ้าเป็นผู้ปวดยังเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดอโอ้ยโอ้ยตายตายน่ะ บางคนมาปวดโอ้ยตายตายแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าถ้าแต่ก่อนเคยพูดว่าตายตายตายพอมาปฏิบัติแล้วมันก็พูดว่าไม่ตายไม่ตายแต่ก่อนบังว่าพูดว่าไม่ไหวไม่ไหวพอมาปฏิบัติมันก็บอกว่าไหวไหวไหวแต่ก yeah, yeah, yeah. ่อนมันบอกว่าแย่แย่แย่ตอนเริ่มเรมก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเ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 เออมกรรมาฐานเขาจะเป็นยังไงนะ <Okay. S 1> เห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวด <Okay. S 1> เห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดควาําว่าเห็นเนี่ยมันออกมาดูแล้วไม่ได้อยู่กับความปวดวิธีที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไ, ไม่ตายยกของมานะน เ, นเนี่เป็นวิธีฝึกอยูนแล้วเห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ปวด เกี่ยวข้องกับความพอดย่างไงเกี่ยวข้องกับควมมามหนาวย่างไงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยางไงดูถ้าเห็นแล้วหลุดพ้นแล้ถ้าเป็นเราหลุดพ้นได้ยากมันหิวหิวไหมไม่ได้กินข้าวเย็นวันนะี้อะหมอทั้งหลายหิวไหมเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว <laughs> ถ้าเป็นผู้หิวหรโอ้ยทุกข์มากนะ ถ้าเห็นมันหิวเดียวโอ้ยดีใจนะขอบคุณมันโอ้โหร่างกายเราเนี่ยมันปกติมากนะเนี่ยมันหิวดีโอ้ยแสดงว่ามันปกติที่สุดอายุเจดสิบปียังหิวอยู่ขอบคุณมันขอบคุณเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวมันต่างกันนะมันเบากว่ากันถ้าเป็นผู้หิวจะหนักถ้าเห็นมันหิวจะเบาขึ้นมาหน่อยมจะเบาจังหน่อยเป็นผู้ทุกหรือเห็นมันทุก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 เราดีนะมันจะออกมาออกมาตัวเบาวิวไปออกไปมาโอ้ไม่มีอะไรเลยนั่นแหะมันก็บเราเนี่ยอินทรีย์ของเราใหญ่กว่าถ้าเป็นเราหมดเนื้อหมดตัวนี่นักกรรมาฐานก็จะอารมณ์ของเขามันจะต่างกันเดี๋ยวเวลานี้เรานั่งเพืใช้ตนขอบคุณมันถ้านั่งอยู่มันปวดถ้านั่งไม่ปวดมันก็ไม่ใช่ลูก รูปมันดึงเมเวทนามันธรรมชาติของเขาเป็นอาการของเขาถ้ายุงกันไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่โรูปความเจ็บนะ่าขอบคุณเขาเนาะจะรู้จากไล่ยุงของเขาความหิวก็ขอบคุณเขาขเขาเป็นสัญญาณดักภัยทําให้เราจะต้องกินข้าวความหนาวก็ขอบคุณเขาเราจะได้ห่มผ้าถ้าไม่รู้จักร่อนจากหนาวเนี่ยใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมถ้าไม่รู้จักหิวเนี่ยใช่ได้ไหมหิวข้าวเนี่ย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 ถ้า ห, หิวนี่ไม่เกินอีกสี่เจ็สิบชั่วโมงพวกนี้อะไรกินแน่นอนไม่ตายแต่ถ้าห้าหกชั่วโมงยังไม่ตายถ้าหิวนะชื่นใจเลยโอกินน้ำลงไปนะในน้าขวดดื่มลงไปอยากให้ท้องมันว่าถ้าไม่หิวเนี่ตายแน่แน่แล้วทําไมเราจึงทุกข์เมื่มันหิวข้าวเราลืมไปลืมว่าโอ้ความหิวมันเป็นธรรมชาติของรูปของเราเนาะอมันปกติที่สุด ถ้ามัหิวนะ่ะไม่ดีจริงๆแสดงว่ากระเพาะ ต, ตีบแล้วกระเพาะตีบแล้วกระเพาะไม่ยืดเป็นโรคมะเร็งแล้วปวดท้องแล้วถ้ามันหิวมันร้อนมันหนาวโอ้ไปป ก, กติที่สุดเลยเ้ยแล้วไปทุกทําไมอะไปทุกอะไรไม่มีความทุกแต่ดูดีๆไม่มีเรื่องใดที่ทําให้เราเป็นทุกนี่ติเป็นปัญญาความโกรธทำใเรามีปัญญาความหลงทำไมเรามีปัญญา ความทุกข์ทำมาแล้วมีปัญญาเพราะทุกข์นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เนี่ยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยเห็นทุกข์เพื่อเอาเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เป็นปัญญาเป็นปัญญาโอ้โหอื่นโยมพันธวาเป็นภาษาบ้านานอกอ่ฟาดโทษเนาะเราเลยว่าพุตโทษ ว่าเป็นภาษาบาลเราปัดโมันกล่องทุกตัวนะปัโถตื่นใหมเบินตื่นขึ้นมาเลยเนมองโอ้ทุกพอเห็นเราก็หลุดใส้กันเถิดเลยนะเราจึงปฏิบัติลองดูเนาะเจ็ดวันเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางรันนี้หลวงพ่อกอ็ดีใจที่เห็นพวกเราเฮมหมอหนุ่มๆน้อย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 มาศึกษาชีวิตที่ไม่ทุกพ้นทุกพ้นปัญหาไม่มีปัญหาเรียกว่าสถามันเราก็สอนอยู่สองลักษณะแต่วันเน้นการภาควิปัสสนาธุระธุระใหญ่ๆสอนเลอกกับวัฏฏานันธธุระก็สอนกันบ้างต้งมีสอบนักทมชั้นโตชั้นตีชั้นเอกได้จอะตอนสังสินก็มาอยู่สองปีสามปีก็สอบนักทำชั้นโทได้ชั้นเอกได้ มนเรียนอยู่แล้ววิปัสนาธุระเป็นหลักตอนเรื่องกราารมฐานเป็นสถาบันเคยชีวิตของเราถ้าใครเรียนไม่จบก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์ทำให้เราเป็นจำเลยตลอดเวลาความโกรธเป็นจำเลยที่ทำให้เราโกรธอยู่ไปผมทุกเป็นเเราเป็นจำเลยของความทุกข์ พอเราจบแล้วจะไม่มีทรงมันไในโลกเลยหลวงพอ่อจึงบอกอพวกเราอ่ะจะพายลุยโลกมันไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวเลยลุยมันเลยพวกเราลู้สึกตัวลู้สึกตัวไปเลยะเาเราก็ตั้งใจสร้างสิไงว้รอมเป็ดีเจเริญสติสำหรับวันนี้ก็สมควรใจเวลา